วันนี้เป็นวันพระหาทตยส บ, บดีที่ส6บหเมษายนพุทธศักราชสอง9้าเป็นวันพระวันธรรมสวนะัสดวันฟังธรรมวันปฏิบัติธรรมเป็นวันที่พระพุทธเจ้า อสอนให้สาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายทำให้เปลี่ยนวิธีการหาวความสุขจากกามาสุขมาเป็นสันติสุขการเสพกามาสุขก็คือการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะชนิดต่างๆความสุขที่ได้จากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสผลตภะเรียกว่ากามาสุข ให้มาเปลี่ยนเป็นสันติสุขคือความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบเป็นสมาธิ<ม>เรียกว่าสันติสุขซึ่งเป็นสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง<ม>นัตติสันติปรังสุขขงังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มี นี่คือภารกิจของผู้ที่ปรารถนาความสุขที่ยั่งยืนความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจะต้องพยายามมันมาปฏิบัติมากระทำกันการจะหาความสุขจากความสงบในเบื้องต้นก็จะต้องปฏิบัติในคขมมะ คือการละเว้นการเสพรูปเสียงกดลิ่นรสผลิภัณฑ์ด้วยการถือศีลแปดขึ้นไปศีลแปดศีลสิบศีลสอง้อยยี่สิบเจ็ดเห istance, ล่านี้ล้วนถือว่าเป็นศีล น, นิ่งมะคือจะไม่มีการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสผลิภัณฑ์ ในรูปแบบต่างๆเช่นศีล ข, ข้อที่สี่ของศีลแปดก็จะเป็นอบาหมจาริยาเวรามานีคือถือศีลพรหมจรรย์ไม่มีการร่วมหลับนอนกับใครแล้วก็เพิ่มศีลข้อที่หกาะเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว อาหารและเครื่องดื่มที่มีรูปมีสีมีกลิ่นมีรสเป็นต้นให้รับประทานพอเลี้ยงดูร่างกายได้ก็พอซึ่งร่างกายก็ต้องการอาหารเพียงวันละมื้อสองมื้อก็พอเพียงแล้ว<ม>บางท่านที่ถือศีลข้อหกนี้บางท่านก็อาจจะรับประทานสองมื้อแต่ไม่เกินเชี่ยงวันไปแล้ว บางท่านก็อาจจะรับประทานเพียงมือเดียวก็มีพระที่สุพระธุดงส่วนใหญ่ฉันจะฉันมือเดียว mm hmm. เพราะว่า mm hmm. การฉันมากเกินไป mm hmm. จะเป็นอุปสรรคต่อการ mm hmm. ปฏิบัติ mm hmm. จิตตะภาวนา mm hmm. ทำจิตให้สงบ mm hmm. ให้เป็นสมาธิ เขาจะเกิดอาการง่วงเงาวหาวนอนมีความเกียจค้านไม่อยากที่จะนั่งสมาธิเวลากินอาหารอิ่มใหม่ๆนี่อยากจะหลับอยากจะนอนเสียมากกว่าถ้านั่งก็จะสับประงบนั่งแล้วก็ไม่เกิดผลรู้จิตไม่สงบแทนที่จะสงบก็หลับไปเสียแทนเชื่อ สินข้อนี้ก็จะช่วยให้การบำเพ็ญจิตตภาวนาการเจริญส ม, มถะภาวนาทำใจให้นิ่งให้สงบนี่ไม่มีอุปสรรคขวางกัน้นข้อที่ข้อหนึ่งก็คือความง่วงเหงาหานอนความเกลียดคร้านแล้วก็ให้รักษาศีลข้อที่เจ็ด คืละเว้นจากการหาความสุขจากการดูมหัศรศบันเทิงต่างๆทั้งดูทั้งฟังดูหนังฟังเพลงเป็นต้นหรือไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆกิจกรรมเหล่านี้ก็ต้องตัดไปให้ไปอยู่ตามสถานที่สงบสงัดวิเวกเช่นตามวัดปฏิบัติธรรมหรือสํานักปฏิบัติธรรมต่างๆ หรือที่ไหนที่สงบเช่นแถวป่าช้านี่จะมักจะเป็นที่สงบเป็นที่ไม่มีใครจะไปเที่ยวไปเล่นกันถ้าใครหาที่ปฏิบัติที่สงบไม่ได้ก็ลองไปป่าช้าดูป่าช้านี่จะเป็นที่ที่สงบที่ไม่มีใครที่อยากจะไปเล่นไปเที่ยวกันต้องหาสถานที่สงบวิเวก กายวิเวกจิตถึงจะวิเวกคำว่ า, าวิเวกก็คือสงบสงัดวิเวกวังเวกไม่มีรูปเสียงกิรตรสโภชพระในรูปแบบต่างๆมาคอยลบกวนใจต้องต้องหาที่สงบกายต้องสงบก่อนกายต้องวิเวกก่อน จิตถึงจะวิเวกจิตถึงจะสงบได้ง่ายถ้าไปปฏิบัติธรรมในสถานที่มีเสียงก็ทึบคุกโคลมมีกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นบางวัดนี้จะไม่มีเวลาให้กับการสงบมีแต่กิจกรรมเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีคนไปเที่ยวไปถ่ายรูปกันไปอะไรกัน ถึงแม้ว่าจะบอกว่าไปทำบุญก็ตามทำบุญก็มีส่วนแต่ส่วนใหญ่ก็ไปเที่ยวกันไปหาความสุขจากการถ่ายรูปภาพจากการดูสถานที่ของวัดวาอารามที่น่าดูน่าสวยงามเป็นต้นวัดเหล่านั้นไม่ได้เป็นที่สำหรับเหมาะกับการเจริญจิตตภาวนาต้องไป ตามวัดป่าวัดเขาที่อยู่ห่างไกลาจากบ้านเรือนอที่จะไม่มีเสียงกระตุ้นควกคองของบ้านเรือนเข้าไปสู่ที่บริเวณวัดคือสรุปก็คือการที่จะทำใจให้สงบนี้ต้องมีสถานที่ที่สงบสงัดวิเวกต้องไม่มีการไปดูหนังฟังเพลง ไปเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆแล้วก็ให้เล่าเว้นการเสริมสวยความงามของร่างกายพรความสวยความงามของร่างกายก็เป็นการเสพรูปเสียงกิ่นร้อีกรูปแบบหนึ่งพราะร่างกายจะดูสวยงามก็ต้องมีการปรุงแต่งด้วยเครื่องสำอางด้วยเครื่องเสริมสวยต่างๆ แล้วก็เป็นความสุขชั่วประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็พออาบน้ำอลับท่าความสุขจากความสวยงามจากการใส่เสื้อผ้าพอต่างๆก็หมดไปอย่าเสียเวลากับการทำกิจกรรมเหล่านี้เพราะความสุขที่ได้คือการมาสุขนี้เป็นความสุขที่มีมีโทษ ด, ด้วยเป็นเหมือนความสุข ของยาเสพติดเสพแล้วมันจะติดจะต้องคอยหาเสพอยู่เรื่อยแล้วถ้ามีอุปสรรคไม่สามารถเสพได้ก็จะเกิดความทุกข์เกิดความเศร้าสร้อยหงอยเหงาตามมาก็ได้ให้เปลี่ยนเอาวิธีมาทำใจให้สงบให้นิ่งจะดีกว่า เพราะความสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้จะอยู่กับใจไปนานกว่าแล้วถ้าสามารถทำได้แล้วครั้งหนึ่งก็จะสามารถ <c oughs> ทำไปได้เรื่อยๆดังนั้นการไม่เสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบของมรรส บ, บันเทิงนี้ก็เป็นการป้องกันนิวร์ด้วยนิวร์ก็คืออุปสรรค ที่จะกีดขวางการบำเพ็ญจิตตภาวนาคือการฉันทะนี่ความยินดีในรูปเสียงก่นลดต่างๆเช่นดูหนังฟังเพลงสมัยนี้เราก็มีมือถือนี่ก็เป็นที่เราสามารถเสงรูปเสียงกิดลดได้มีสื่อต่างๆให้เราดูให้เราชมให้เพลิดเพลินกันไป แต่ความสุขมันเป็นความสุขแบบผิวเผินเป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนไม่ให้ความอิ่มความพอมีแต่จะให้ความผิวความอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างเข่งกันในวันพระนี้ถ้าเราต้องการที่จะเจริญสันติสุขลเว้นกามาสุข เราก็ควรที่จะปิดมือถือถ้าจะใช้ก็ใช้แต่เฉพาะพูดคุยติดต่อถ้าเป็นไปได้ก็ปิดเครื่องไปเลยขอยุติการสื่อสารกับโลกภายนอกสักหนึ่งวันเพราะเราต้องการจะดึงจิตให้เข้าข้างในจิตจะสงบได้จิตต้องเข้าข้างในจิตต้องปล่อยรูปเสียงกิริล์รสต่างๆไปให้หมด ถ้ายังมีความเกี่ยวข้องกับรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆผ่านการสื่อสารอยู่จิตก็จะไม่สามารถเข้าข้างในได้เมื่อไม่เข้าข้างในจิตก็จะไม่สงบแล้วจิตก็จะไม่มีความสุขแล้วก็อาจจะทนต่อความ <c oughs> ลบเลาของกามฉันทะความอยากเศษ ร, รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ จนในที่สุดก็ จ, จะไม่สามารถที่จะปฏิบัติในคำว่ารักษาสีลงแปดได้ก็มีอาจจะต้องขอลาสี่งแปดเพราะไม่สามารถที่จะควบคุมความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้นั่นเองอันนี้คือสิขอส่ข้อที่เจ็ดส่วนสิ่ข้อที่แปดก็คือการไม่นอนบนเตียงสำราญ นอนบนฟูกหนาๆเพราะมันจะสุขสบายเกินไปจะทำให้นอนมากเกินไปให้นอนบนพื้นแข็งๆปูด้วยผ้าหรือเสือ่อเพราะเวลาที่ร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อแล้วต้องการจะพักผ่อนหลับนอนก็จะนอนหลับไม่ว่าจะนอนบนฟูกก็ดีหรือนอนบนพื้นแข็งๆก็ดีร่างกายก็จะหลับได้เหมือนกัน แล้วพอได้พักคอนสี่ห้าชั่วโมงก็จะตื่นขึ้นมาถ้านอนบนฟูกหนาะๆใจก็อยากจะนอนต่อเพราะมันสุขมันสบาย<ม>อันนี้ก็เป็นการเสพ ร, รูปเสีย ง, ง, งกิจเสพการในการเสพสัมผัสของความของความนุ่มของที่นอนก็จะ<ม>ทาให้อยากจะนอนเพิ่มอีกสองสามสี่ชั่วโมง แต่ถ้านอนบนพื้นแข็งๆนี่พอร่างกายได้พักผ่อนสีห้าชั่วโมงตื่นขึ้นมาแล้วใจก็จะไม่อยากจะนอนต่อเพราะมันไม่สบายเขาจะได้ลจะได้ลุกขึ้นมามาปฏิบัติจิตตะภาวนามาจจรินรสติด้วยการเดินจงกรมหรือทำเวลาทาภารกิจอะไรต่างๆก็ให้มีสติอยู่กับการทำภารกิจเหล่านั้นให้ใจจดจอ่อโูกว้กับ การกระทำภารกิจต่างๆอย่าปล่อยให้ใจไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ให้อยู่กับภารกิจที่กาลังทาอยู่กำลังรับประทานอาหารก็อยู่กับการรับประทานอาหาร<ม>การอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ต้องให้อยู่กับภารกิจเหล่านี้ถึงจะมีสติเพราะว่าเวลาจะนั่งสมาธิจิตจะเข้าสู่ความสงบได้ จิตจะต้องมีสติคอยกำกำกับใจไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆถ้าไม่มีสติปล่อยให้ใจลอยไปกับความคิดต่างๆก็จะเกิดอาการฟุ้งซ่านขึ้นมาเมื่อเกิดอาการฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สามารถที่จะนั่งได้เพราะนั่งแล้วจะรู้สึกอึดอัดความฟุ้งซ่านนี้มันจะสร้างความเครียดให้กับใจ ไม่สามารถนั่งอยู่เฉยๆได้อันที่สุดก็ทนนั่งสมาธิไม่ได้ก็ต้องเลิกนั่งไปไปทําอะไรอย่างอื่นไปดูรูปเสียงกลิ่นรสไปเสบรูปเสียงกลิ่นรสเพราะความฟุง้งซ่านส่วนใหญ่ก็ฟุ้งซ่านเพราะความอยากที่จะเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่ความอยากเสบรูปเสียงกลิ่นรสนี่มันเป็นสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่ฝังอยู่ในใจตลอดเวลา ตั้งแต่ตื่ตาขึ้นมาเนี่การมฉันท่ความอยากเสกโูภเสียงกิเลสนี้มันก็เริ่มทำงานเลยพอตื่นขึ้นมาคิดแล้วอยากจะหาอะไรดื่มอยากจะหาอะไรรับประทานได้ดื่ไมได้รับประทานแล้วก็อยากจะหาอะไรดูหาอะไรฟังมันมีแต่เรื่องของการมาฉันท่การมาขุนห้าทั้งนั้นจึงเป็นสิ่งที่ลำบากสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะทำใจให้นิ่งให้สงบ แต่ก็มีอุบายที่พระเจ้าทรงนํามาเอยแผ่สั่งสอนวิธีที่จะต้านกามาฉันทะการมคุณห้านี้ความอยากในกามคุณห้านี้ก็ต้องให้หมั่นเจริญสติคอยควบคุมใจอย่าให้ไปคิดถึงกามคุณหา้าอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องอะไรเลยเพราะเรื่องส่วนใหญ่ที่คิดถึงก็เป็นเรื่องของกามคุณห้านั้นเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ ดนยการเจริญสติผูกใจให้อยู่กับอารมณ์ของกรรมฐานเราต้องปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยไม่ใช่มานั่งปฏิบัติมันเจริญสติตอนที่เรามานั่งสมาธิถ้ามาเริ่มต้นตอนนั้นมันสู้ความอยากต่างๆไม่ไหวความอยากจะคอยผลักดันให้ใจคิดหาหารูปเสียงกลิ่นรสหาสิ่งนั้นหาสิ่งนี้มาเสพอยู่เรื่อยๆ ต้องเริ่มกันตั้งแต่พอตื่นขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาเหมือนกับนักวิ่งที่ออกเอาเอาวิ่งกันจุดเริ่มต้นของการวิ่งถ้าเรามามามามาเจริญสติตอนที่มานั่งสมาธิเหมือนเหมือนกับว่าเราปล่อยให้คู่แข่งของเราเอาวิ่งไปก่อนต้องหลายชั่วโมงแล้วเราค่อยมาเริ่มวิ่งตอนตอนที่เรามานั่งสมาธิเราก็จะไล่เขาไม่ทันเราก็จะหยุด คู่แข่งเราไม่ได้เอาชนะคู่แข่งเราไม่ได้คู่แข่งของเราก็คือความคิดปรุงแต่งใบในทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี่แทเท่ น, นวันพระนี่เป็นวันที่เราไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องภารกิจการงานต่างๆเรามีเวลา24ชั่วโมงที่เราจะสามารถเอามาใช้เจริญสติเพื่อแข่งกับความคิดต่างๆให้หยุดความคิด ให้ทันกับความคิดไม่ให้ความคิดมันคิดนะขอหยุดมันด้วยการเจริญสติผูกใจไว้กับอารมณ์กรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งนะที่ใช้กันส่วนใหญ่ก็คือการใช้คําบริกรรมพุทธโธถ้าเรายังไม่ได้นั่งสมาธิเวลาที่เราทํากิจกรรมต่างๆเช่นพอเราลืมตาขึ้นมานี่เราก็ต้องลุกขึ้นจากเตียงที่นอน แล้วก็เดินไปเข้าห้องน้ำํทำทําภารกิจอะไรต่างๆเราก็ต้องมีสติคอยกํากับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ได้ให้มีคําบริกรรมพุโทโธไปตลอดถ้าเราบริกรรมพุโทโธไปเรื่อยๆเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ถึงแม้อาจจะมีความคิดแทรกเข้ามา ถ้าเราไม่ไปสนใจมันเดี๋ยวมันก็จะจางหายไปเองถ้าเราอยู่กับพุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆพุโทโธนี้เราก็สามารถเลือกความเร็วช้าได้ว่าเราจะบริกรรมช้าหรือเร็วถ้าไม่มีอะไรเร้ามารบกวนดึงใจให้ไปหาเรื่องนั้นหาเรื่องนี้เราก็บริกรรมแบบสบายๆพุโทโธพุทโธไปภายในใจถ้ามีอะไรมาคอยดึงคอยลากให้ไป คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็อาจจะต้องบริกรรมพุโทโธให้ให้ถี่ขึ้นต้องคอยสู้กับความคิดให้ได้เพราะความคิดมันจะพาเราไปคิดถึงเรื่องของการมคุณห้าเรื่องของการหาความสุขจากกามกคุณห้าถ้ามันเริ่มมีความอยากเสพกามาคุณห้าแล้วใจก็จะวุ่นวายแล้วใจจะไม่ใจจะไม่นิ่งใจจะเริ่มมีความ คุ้งร่างขึ้นมานั้นเราคอยควบคุมใจควบคุมความคิดให้ได้นี่คือทำไมเราจะต้องมีวันมีเวลาให้กับการปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยกเว้นเวลาหลับเป้าหมายก็คือให้เรามีเวลาให้กับการเจริญสติควบคุมความคิดให้ได้ถ้าเราฝึกไปเรื่อยฝึกไปบ่อย ต่อไปสติของเราก็จะมีมีมากขึ้นจะมีต่อเนื่องกันจะเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมาือจะไม่พังไม่เผลอจะไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราได้สติระดับสัมปะชัญญะและ้วนี่เวลานั่งสมาธิใจเราก็จะเข้าสู่ความสงบได้อย่างง่ายดายเวลานั่งสมาธิถ้าเราใช้คําบริการพุโทโธมาก่อนเราก็ใช้คําบริการพุโทโธต่อก็ได้ แต่ถ้าเราไม่ได้ใช้คำบริกรรมพุโทโธเช่นถ้าเราใช้การเฝ้าดูกิจกรรมต่างๆของร่างกายร่างกายกำลังทำอะไรเราก็ผูกใจเฝ้าอยู่กับกิจกรรมของร่างกายไปตลอดเวลาก็เป็นการเจริญสติคอสกัดกั้นความคิดในรูปแบบหนึง่งนี่เรียกว่ากายากัตตาสติให้มีสติผูกผูกใจไว้อยู่กับการกระทาของร่างกายในทุกิริยาบท ในทุกในทุกเคลื่อนไหวในทุกการกระทำแต่ถ้าพอเรามานั่งสมาธินี้นั่งกายนั่งเฉยเฉยไม่มีการกระทำอะไรถ้าเราใช้กายกตาสติมาก่อนหน้านี้เราก็มาเปลี่ยนเป็นอาาปณะสติมีสติรู้อยู่กันเข้าออกของลมหายใจ ด, ดูที่บริเวณกวายจมูกบริเวณที่ลมสัมผัส ตอนที่เข้าไปและสัมผัสที่ออกมาไม่ต้องตามลมเข้าไปหรือไม่ต้องตามลมออกมาบางท่าน<ม>บางสำนักก็สอนให้ดูที่หน้าท้องแทนก็ได้เวลาลมเข้าไปหน้าท้องก็จะพองขึ้นมาเวลาลมออกจากร่างกายหน้าท้องก็จะยุบลงไปยิ<ม>่งมาที่ยิ่งเป็นที่มาของคําว่ายุบหนอะพองหนอะ ถ้าเคยใช้แบบนี้แล้วได้ผลก็ใช้ได้แต่ถ้าไม่เคยใช้ท้าจะจะลองใช้การดูลมหายใจที่ปลายจมูกก็ได้ดูที่จุดเดียวอย่าตามลมเข้าล้าตามลมออกอย่าไปบังคับการหายใจของลมไม่ต้องไปบังคับให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆเป็นต้นปล่อยให้ลมหายใจเป็นไปตามธรรมชาติของเขาเราเพียงแต่มาใช้ลมเป็นที่ ผูกใจไปอารมณ์ูกใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เท่านั้นเองลมจะอยากจะละเอียดจะสั้นจะยามไม่เป็นปัญหาอะไรทั้งนั้นหรือแม้ลมจะรู้สึกหายไปก็ไม่เป็นปัญหาอะไรเพราะถ้าเรานั่งไปนานเข้าลมที่อยาบก็จะเริ่มละเอียดลงไปเรื่อยๆแล้วต่อไปอาจจะรู้สึกจับลมไม่ได้ก็เป็นไปได้ก็ไม่ต้องไปควานหาลม ก็ให้ดูอยู่ที่จุดเดิมนั่นแหละที่ปลายจมูกนั่นดูว่าตอนนี้ลมไม่มีจับให้ให้ดูก็ดูที่ปลายจมูกแทนให้ดูเฉยๆให้รู้เฉยๆรู้ว่าตอนนี้ไม่มีลมแต่ไม่แน่เดี๋ยวถ้าพักหนึ่งมันก็อาจจะมีลมปรากฏให้เราได้รับรู้ก็ได้แต่ข้อสาคัญอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปย้ายที่อย่าไปควานหาลมไม่ต้องไปวิ่งตามหาลมอยู่ที่จุดเดิม เดี๋ยวลมมันจะมาให้เรารับรู้มันก็จะมาเองถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็ น, นอะไรเพราะช่วงนั้นมันเป็นช่วงใกล้ที่จิตจะรวมเข้าสู่ความสงบแล้วถ้าเราไม่เปลี่ยนที่เราไม่ไปคิดงแต่งเดี๋ยวจิตก็รูวูบลงไปสู่ความสงบได้อพอจิตวูบเข้าสู่ความสงบแล้วจิตก็จะนิ่งเฉยมีความสุขมากๆจากความสงบ มีเบิกขาจะไม่มีอารมณ์รักชังกลัวหลงอยู่ในจิตในขณะนั้นถ้ายังได้รับรูปเสียงถ้ายังได้สัมผัสกับรูปเสียงกินแล้วก็ไม่มีอารมณ์กับรูปเสียง ก, นกินแล้วได้ยินเสียงก็เฉยสักตะวารู้ไปไ ด, ด, ปด้ได้สัมผัสกับลมก็ดีได้สัมผัสกับอาการเจ็บปวดของร่างกายก็ดีจิตก็จะเฉยไม่ไม่รู้สึกอะไร ไม่รู้สึกรำคาญอะไรอยู่กับรูปเสียงกียร์ลดได้นี่คือลักษณะของความสงบอย่างหนึ่งบางครั้งถ้าสงบนึกบางทีรูปเสียงกียร์ลดก็หายไปเลยก็มีน่างกายก็หายไปเลยเหลือแต่เหลือแต่จิตเหลือแต่ความรู้รู้เหลือแต่สักแต่ว่ารู้อยู่ตามลำพังอันนี้ก็เท่ากับการจิตได้แยกออกจากกาย ร่างกายชั่วคราวแล้วร่างกายเมื่อก่อนนี้จิตสัมผัสเชื่อมต่อกันพอหยุดความคิดปุงแต่งลงได้พอใจนิ่งสงบใจก็เลิกรับรู้เรื่องที่มาเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายตัวร่างกายเองก็หายไปเลยมีความสงบได้สองลักษณะด้วยกันสงบแบบที่รูปเสียงกลิ่นรดยังยังสัมผัสรับรู้อยู่ มันสงบแบบรูปเสียงจิตแล้วไม่มีให้รับรู้เลยมีแต่จิตนวนๆจะเป็นแบบไหนก็เราไปกําหนดไม่ได้มันขึ้นอยู่กับกำลังสติของเราถ้าสติมากมันก็จะสงบได้เลิกได้มากถ้าสติไม่มากมันก็จะสงบได้ไม่เลิกแต่ก็สงบเหมือนกันได้ผลได้ประโยชน์เท่ากันแล้วก็อยู่จะอยู่นานหรืออยู่ไม่นานก็อยู่ที่สติเหมือนกัน ถ้าสติมีกำลังมากก็จะอยู่ได้นานนิ่งได้นานถ้าสติมีกำลังน้อยก็จะนิ่งได้ไม่นานสำหรับผู้ที่ได้รับได้เข้าสู่วารสงบครั้งแรกๆนี้จะเป็นแบบชั่วประเดียวประดาวที่เราเรียกว่าคณนนิกะสมาธิพอเข้าไปนิ่งปุ๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาชั่วงูแบลบเลนนุนชั่วฟ้าแลบเนี่ย yeah. แต่ความสงบนี้ก็เป็นความสงบที่มหัศจรรย์ใจเป็นความสงบรู้สึกยกภูเขาออกจาก อ, อกตอนตอน้ตนตอนที่จิตไม่สงบนี้เหมือนจิตอึดอัดเหมือนกับมีอะไรหนักๆทับอยู่ที่จิตพอจิตสงบนี้เหมือนกับภูเขานี่ถูกทลายไปหายไปใจนี่โล่งเบาเย็นสบายพอได้เห็นความสุขจากความสงบแบบนี้แล้วก็จะติดใจทีนี้ก็จะมีฉันทาวิริยะ มีความยินดีที่จะทำความเพียรในการเสริมสันติสุขให้มีมากขึ้นต่อไปก็จะปฏิบัติมากขึ้นจากทำอาทิตย์ละวันก็อาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันบ้างสามวันบ้างมีเวลาบ้างวันไหนก็จะเอาเวลาให้ไปกับการไปเจริญสันติสุขกันแทนที่จะไปเจริญการมสุขแบบเมื่อก่อนนี้ เมื่อก่อนนี้ตอนที่ยังไม่ได้รับความสงบนี้พอมีเวลาว่างก็ต้องไปเที่ยวกันนะต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกิจลดต่างๆแต่พอเราได้ทำจิตให้สงบได้แล้วนี้ทีนี้เราเปลี่ยนวิธีหาความสุขแล้ะไม่ต้องบังคับแนละ้วใจมันอยากจะไปหาสรรเิญจุขแล้วมันก็รู้วิธีด้วยพอทำได้ครั้งหนึ่งแล้วมันก็จะทาได้ไปเรื่อยๆแล้วก็จะทาได้มากขึ้นมากขึ้นขอให้รู้ รู้อุบายวิธีที่ถูกต้องนั้นก็คือขั้นต้นต้องเจริญสติมากๆก่อนที่จะมานั่งและเวลานั่นก็ต้องมีสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่พังไม่เผลอไม่ได้คิดอะไรให้ผูกใจอยู่กับอารมณ์กรรมฐานเพียงอย่างเดียวมีอะไรเข้ามาก็ไม่ไปนสนใจก็ติดจับกรรมฐานไปถ้าใช้พุโทโธก็อยู่ออกับพุโทโธไปถ้าใช้ลมก็ดูลมไปถ้าทำได้อย่างนี้แล้วจิตก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ แล้วต่อไปการปฏิบัติก็จะค่อยๆเจริญก้าวหน้าไปเรื่อยๆจะก้าวหน้ามากก้าวหน้าน้อยก็อยู่ความอยู่การปฏิบัติของเราถ้าปฏิบัติมากมันก็จะก้าวหน้ามากขึ้นไปเรื่อยๆผลอยู่ที่การกระทาทำมากก็ได้ผลมากทำน้อยก็ได้ผลน้อยอ น, นี่คือวิธีของการเปลี่ยนวิธีหาความสุขจากการมาสุขมาเป็นสันติสุข เราต้องทําในวันที่เรามีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆเช่นวันพระในสมัยก่อนนี้เป็นวันหยุดทํางานแต่สมัยนี้วันหยุดทํางานไม่ตรงกับวันพระเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระไปให้ตรงกับวันหยุดทํางานแทนถ้าเราหยุดทํางานวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เราก็เลือกเอาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์มาเป็นวันพระแทนที่จะไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็ไปหาที่สงบไปปฏิบัติสันติสุขกันแทน เราต้องอย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งต้องมีวันพระหนึ่งครั้งเพื่อที่เราจะได้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเพื่อให้จิตเราเข้าสู่ความสงบถ้าเราไม่มีวันพระเลยนี่มันจะยากต่อการที่เราจะเสพสัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบได้ถ้าเราเพียงแตบบ่นั่งสมาธิวันละครั้งสองครั้งนี้มันยากที่จะทําให้ใจรวมเป็นสมาธิไดะนะ้นี่ก็คือเรื่องของวันพระเรื่องของวันนี้ ถ้าท่านไม่มีภารกิจอะไรต้องทำก็ลองมาอยู่วัดอยูที่หาที่สงบแล้วก็ไปนั่งสมาธิสลับกับการเดินจงคมเจริญสติไปเรื่อยๆแล้วรับประกันได้ว่าผลจากการปฏิบัติจะดีขึ้นไปตามละดับอย่างแน่นอนอการแสดงสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาพอดีก็ขอยุติการแสดงไว้เพียงเท่านี้ พอลำดับต่อไปเราก็จะมาปฏิบัติมาจเจริญสติมานั่งสมาธิกัน<ม>เพื่อให้เข้าถึงความสงบที่เป็นความสุขยิ่งกว่าความสุขทั้งปวงก็<ม>อย่างที่ได้แสดงไว้เบื้องต้นการนั่งสมาธินี้เราต้องการให้จิตนิ่งสงบให้หยุดความคิดปรุงกันเราไม่ต้องการไปพิจารณาปัญญาพิจารณาวิปัสสนาเกิดดับอะไรทั้งนั้นตอนนี้เราต้องการหยุดความคิดเพียงอย่างเดียว ให้จิตนิ่งให้สงบให้เป็นสมาธิขึ้นมาก่อนเนื่องการพิจารณานี้ต้องรอเวลาที่เราไม่ได้นั่งสมาธิเป็นตอนที่เราไม่ได้เข้าสมาธิถ้าเราอยากจะเจริญปัญญาแทนเจริญสติก็ได้คิดถึงนั่งกายเราก็คิดว่ามันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายคิดว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเรามันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นตุ๊กตาตัวหนึ่งอันนี้ต้องทําตอนที่เราไม่ได้ทําสมาธิแยกกันไม่ได้ทําพร้อมกันทีเดียว เราทำสมาธินี้ต้องการทำให้จิตนิ่งให้จิตสงบไม่ให้คิดอะไรให้จิตมีความสุขจากความสงบเพราะเราต้องการสายความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นกำลังใจถ้าเราปฏิบัติแล้วไม่มีความสงบไม่มีความสุขนี่เราจะไม่มีกำลังใจที่จะปฏิบัติ ต, ต่อไปนี้เราจะมานั่งสมาธิกันมีสติและเลึกรลืออยู่กับกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าเป็นพุโทโธก็บรรยากรรมพุโทโธไป จะเป็นลมหายใจก็ดูลมหายใจที่ปลายจมูกไ ป, ไปถ้าดูลมไม่ได้ยังฟุ้งซ่านอยู่ก็ใช้การสวดมนต์ไปนั่งในท่าสมาธิหลับตาแล้วก็สวดมนต์ไปแทนที่จะใช้พุทโธก็ใช้การสวดมนต์แทนที่จะใช้การดูลมก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนส่วนบทที่เราจําได้สวดช้าสวดเร็วก็ได้ขอให้มีสติอยู่การสวดอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวความคิดต่างๆก็จะเบาบางลง แล้วก็จะสามารถหันเปลี่ยนมาดูลมได้แล้วเปลี่ยนมาบริกรรมพุทโธได้ก็เปลี่ยนมาแล้วพอเปลี่ยนแล้วทีนี้เราก็ไม่เปลี่ยนนะผูกใจไว้อยู่กับพุทโธไปแล้วผูกใจไว้อยู่กับลมหายใจไปจนจิตรวมเข้าสู่สมาธิต่อไปลําดับต่อไปนี้เราก็จะมานั่งสมาธิการะมายี่สิบเจ็ดนาทีด้วยกันอตอนนี้เวลา สำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้วก่อนที่จะเลิกก็โปรดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้เพื่อคราวหน้าเวลามานั่งใหม่ก็จะได้ใช้วิธีนี้นั่งต่อไปได้ให้จิตสงบได้ต่อไปแต่อย่าไปนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทาให้มันสงบถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรายัางมีไม่มากพอ ควรจะเจริญสติให้มากขึ้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิเราสามารถเจริญสติได้ทั้งวันนั่นแต่ลืมตาขึ้นมาจนกระทั่งนอนหลับถ้ามีการเจริญสติอย่างสม่ำเสมอตอไปเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบได้ง่ายและสงบได้นานอาต่อไปนี้จะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวะเวหะปูราภิรลติสากหลังเอวเมวะอโตทินังเปตานังอุปกปติยิทิตังปฏิตังตุมหังเข็มเมวาสมิจตสุพภิผลตูสังขปาจันโทปนะระโสยะถามาณิทิ ภราสยาธาสพิตโยวิวาชันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวะตวันตราโยสุขีธีกายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสานิจจามุธาปจายโนจตารูธรมาวัตันติอายุวันโอสุขัง า, าช่วงต่อไปนี้เป็นช่วงถามตอบคำถามใครมีคำถามอะไรอยากจะถามขอเชิญถามในช่วงนี้เลยเป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะว่าถ้าหลังจากเลิกแล้วจะไม่สะดวกต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่กราบเรียนครับพระอาจารย์วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติสอง้อหกสิบเก้าท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติสามร้อยสี่ท่านทาง u t u b e ดรวีสามสิบแปดท่านทาง c ั u b ฮ o u s e 8ดท่าน ทางวิทยุออนไลน์สี่ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิหนึ่งร้อยยี่สิบหกท่านรวมทั้งหมดเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าท่านครับครับนวมัส ก, การระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมาน้ากุติฝากถามเข้ามาว่า หากจิตเป็นผู้รู้อยู่กับกายอยู่กับลมหายใจอยู่กับคำบริกรรมจะเป็นเกราะป้องกันสิ่งที่ไม่ดีเข้ามารบกวนเราได้ไหมเจ้าคะก็สิ่งที่มันเข้ามาในใจเรานี่ไม่ใช่สิ่งที่อยู่ภายนอกสิ่งที่มันเข้ามาในใจเราอยู่ในใจเราเราก็สามารถไม่ไม่ไม่ต้องให้มันมาสร้างความปัญหาให้กับเราได้ถ้าเราทำใจให้นิ่งๆสิ่งต่างๆมันก็เข้ามาไม่ได้ ข้อที่สองการนอนฝันเห็นสึ่งต่างๆการได้เห็นหรือการได้กินอะไรแปลกๆทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี้มันมีอยู่จริงแต่มันไม่ใช่เรื่องจริงหรือมันไม่ใช่มีอยู่จริงและมันก็ไม่ใช่เรื่องจริงด้วยเจ้าค่ะอย่าไปคิดมันไม่เสียเวลาเลยพี่จริงแนละ้วมันเป็นอันนี้จังแล้วันเกิดแล้วก็ดับฝนะันมาแล้วก็ไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันดีที่สุด ข้อที่สามมนุษย์เป็นผู้สร้างภาษาสร้างประเพณีสร้างสัญลักษณ์ต่างๆนําสิ่งที่มีอยู่บนโลกนี้มาประดิษฐ์คิดค้นเพื่อในความสะดวกสบายให้แก่คนบนโลกใบนี้คําถามคือแล้วเราเกิดมาทําไมเกิดมาเพื่ออะไรถ้าไม่ใช่เพื่อกินเพื่อทํางานเพื่อมีครอบครัวแล้วเรามาที่นี่ได้อย่างไรขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะด้วยเจ้าค่ะก็มาด้วยกิเลสไง มันอยากจะหาราภยศสรเสริญหาลูกเสียงกินรสมันก็ต้องมาเกิดพอ ม, มาเกิดมันก็มาหาราภยศสรเสริญหาลูกเสียงกินรสไปจนวันตายตายแล้วมันก็กลับมาเกิดใหม่มเมวียนว้ายตายเกิดอย่างนี้ไปเรื่อย เจ้าหาจากผู้รับฟังธรรมานากุติคะ่ะฝากถามเข้ามาว่าหนูมาปฏิบัติธรรมแล้วเจอมแมลงสาบตัวใหญ่อยู่ในห้องน้ำสาตัวมันชอบออกมาเพ่นพ่านตอนกลางคืนทุกคืนคำถามข้อที่หนึ่งรู้สึกจิตไม่สงบแม้หนูจะคิดว่าต่างคนต่างอยู่ไม่เบียดเบียนกันและหลีกเลี่ยงเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนหรือหนูควรจะคิดพุทโธเฉยๆไปไปต่างคนต่างอยู่ไป ใช่แล้วมันไม่ไม่ยอมต่างคนต่างอยู่มันก็จะวุ่นวายตัวเราใหญ่กับมันต้องเยอะแยะไปกลัวมันใช่ไหมเลาวมันตัวนิดเดียวค่ะแล้วก็ถามต่อว่าจะทําอย่างไรให้ไม่รู้สึกหวัดบัวระแวงที่ต้องเข้าห้องน้ําคะหนูรู้สึกว่าไม่ได้กลัวมแมลงสาบแต่ไม่ชอบความสกรปรกของมันคะกลั บ, บ ค, ค่ะพระครูคะมันสกรปรกตรงไหนแล้วมันจะเหม็นสกรปรกตรงไหนอ่น เราไม่ชอบมันทนั้นะปัญหาถ้าเราไม่ชอบเราก็อยากจะให้มันอยู่ ไ, ไกลๆไม่อยากให้มันเข้าใกล้พอมันเข้าใกล้เราก็เราก็ทุกข์ขึ้นมาถช่ง้าเราอย่าไปรังเกียจมันคิดว่ามันเราก็เหมือนกันมาทามาจากดินน้าลมไฟเหมือนกันร่างกายเราก็มาจากธาตุสี่ร่างกายของนังสาพก็มาจากธาตุสี่เหมือนกันไม่มีอะไรจะต้องน่ารังเกียจต่อกันและกัน ค่ะจากพุทธฟังธรรมะคุติค่ะเวลานั่งสมาธิจิตจะรับพุทโธจนหายแล้ววบไปเห็นแต่สับปะงกฝืนอีกสักพักจะเป็นอีกเป็นหลายครั้งจนหยุดเองและเห็นแสงสีส้มและรู้สึกปวดร้าวที่หัวเข่าขวาจนหมดเวลาตามที่พระอาจารย์บอกถ้าปฏิบัติเองต้องทำอย่างไรต่อคะไหนอ่านไหนเ่ยไม่เข้าใจ ค่ะเวลานั่งสมาธิจิตจะรับภูโทจนหายไปแล้ววูบไปเห็นแต่สปงกฝืนอีกสักพักจะเป็นอีกเป็นหลายครั้งจนหยุดเองและเห็นแสงสีส้มจะรู้สึกปวดร้าวที่หัวเข่าขวาจนหมดเวลาตามที่พระอาจารย์บอกถ้าปฏิบัติเองต้องทำอย่างไรต่อคะ เวลานั่งก็ต้องให้มีพุธโทะพุธโทหายแล้วก็ต้องนึงมันกลับมาค่ะเวลาปฏิบัติเองที่บ้านนั่งบริกรรมพุธโธสักพักจะเกิดอาการหมุนตัวใบหน้ายิ้มมือขวาตบมือซ้ายบนตักแรงๆบริกรรมพุธโธเร็วขึ้นอาการจะหายไปเองเกิดจากอะไรและทำถูกไหมคะอะไรจะเกิดก็ไม่ต้องไปสนใจให้อยู่กับพุโทโธไปเพียงอย่างเดียว ค่ะจากยูทูบจะกราบพระอาจารย์ขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายเกี่ยวกับการเข้าออกสมาธิได้ตามต้องการจิตว่างจากขันห้าชั่วคราวใช่ไหมครับ จ, จิตก็แยกออกจากขันห้าชั่วคราวเวลาจิตสงบเวลานั่งือกำหนดสติให้อยู่กับลมหรืออยู่กับพุโทโธแล้วเดี๋ยวมันก็แยกออกจากกันแล้วจิตก็จะนิ่งจะสงบถ้าทาชำนานาญมันก็จะทาได้ง่ายได้เร็วทุกครั้ง จากยูทูบเจ้าค่ะผิดหวังและอับอายที่เขาไม่เลือกเราสะเทือนใจเวลาเขาพูดว่าไปเที่ยวกับผู้หญิงอื่นลองท่องพุโทโธถี่ถี่ก็ยังตัดใจไม่ได้ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยแนะนําด้วยค่ะก็พิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปเป็นของไม่แน่นอนบางทีเขาก็รักเราบางทีเขาก็ไม่รักเราอนัตตาเราก็ไปควบคุมไปสั่งเขาไม่ได้ ถ้าเราไปอยากให้เขาลักเรา เ, าเราน า, เาะเขาไม่ลักเราเราก็จะทุกข์ขังขึ้นมาเน้นอย่าเมื่อเขาไม่ลักเราเราก็อย่าไปให้เขาลักเราก็ก็ยินดีตามมีตามเกิดเขาไม่ลักเราก็ยินดีเขารักเราก็ยินดีเราก็จะไม่ทุกข์ชาวคาจากทางเฟซบุ๊กสาขากรบสอบถามรัชการค่ะ ถ้าคนสวดมนต์แต่ไม่รักษาศีลจะต่างจากคนที่ไม่สวดมนต์แต่พยายามรักษาศีลอย่างไงคะและควรปฏิบัติอย่างไหนดีถึงจะถูกต้องคะเมันคนละเรื่องกันสวดมันก็สวดมนต์รักษาศีงั้นรักษาศีนมันคนละเรื่องกันค่ะ การเรียนกราบเรียนปรึกษาเจ้าค่ะในปัจจุบันนิยมวางแผนครอบครัวโดยเฉพาะเรื่องการมีบุตรในทางธรรมสอนว่าการเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาหลีกหนีไม่พ้นหากจะพ้นทุกข์ได้ต้องไม่กลับมาเรียนว้ตายเกิดอีกให้ปฏิบัติทานศีลภาวนาเพื่อมุ่งสู่นิพพานหากเราแนะนำลูกหลานที่มีครอบครัวไม่ให้มีลูกแบบนี้ ถูกต้องไหมเจ้าคะจะเป็นบาปหรือเป็นธรรมเจ้าคะเป็นการเสือกมากกว่านะเราก็ไม่ถามไว้มไม่จะไปบอกเขาหรอกจากทางเฟ e b o ๊ k จ้าการนรรมสการค่ะพระอาจารย์จะรบกวนสอบถามว่ากำจัดปวกที่ขึ้นบ้านเป็นบาปหรือเปล่าเจ้าคะถ้าทำให้มันตายก็บาปนะค่ะ เวลาทำสบายที่แล้วยังมีอารมณ์เป็นทำนองเพลงและเนื้อเพลงแทรกเข้ามาแม้ว่าทำนองอย่างไม่ออกจากหัวเราเปลี่ยนเนื้อเพลงเป็นพุทโธโดยยังคงทำนองเพลงอยู่ได้ไหมคะก็อย่าไปสนใจมนให้เราสนใจอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆใหม่ๆจิตไม่สงบมันก็ปรุงแต่งได้ั้นถ้าอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปเนี่ยมันก็หายไปเองค่ะ จากยูทูจ้าค่ะถามมาว่าพระรับเงินผิดหรือเปล่าพระรั บ, ก, บกับมือไม่ได้ต้องฝากให้ญาติโยมเก็บไว้ให้แล้วเวลาจะใช้ก็ให้ญาติโยมไปซื้อของให้ได้เจ้าค่ะ y ยูทูบเจ้าค่ะกราบนักวัชการครับท่านพู้อารญ์กระผมมีข้อสงสัยครับบทสวดที่บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้หมายความว่าอย่างไรครับก็หมายว่าอย่างนั้ น, นไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนเหมือนกับต้นไม้นี่มีตัวตนนะอลมพัดนี่มีตัวตนนะไม่มีตัวตนร่างกายนี้ก็ไม่มีตัวตน ใจไปปรุงแต่งขึ้นมาเว่าเป็นตัวตนเป็นตัวเราของเราขึ้ใจก็ไม่มีตัวตนใจก็หลงว่าตัวเองเป็นตัวตนใจก็เป็นเพงผู้รู้ผู้คิดเท่ า, า, านั้นค่ะกรับอาจารย์ลูกติดยาบังคับรีไถ่เงินแม่ความคิดสลัดไม่ออกเคททุกครั้งที่นึกถึงค่ะอ้าว เงเราเราจะให้เขาก็ได้ไห้เขาก็ได้มีคำถามจากอินบ็อกจ้าอยากถามว่าเวลาเฝ้าดูระลึกลมหายใจ ถ้าขณะแบบเล่นโยกขาคือใช้นิ้วปิดจมูกข้างหนึ่งและหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็เปลี่ยนเป็นใช้นิ้วติดอีกข้างหนึ่งและหายใจเข้าหายใจออกแบบโยคยีสามารถทาแบบนี้ได้ไหมคะคือจะทำอะไรก็ทำได้แต่ทางกุศลศาสนาสอนให้ดูลมเฉยๆคนละวิธีกันเป้าหมายไม่รู้ว่าเขาทำไปเพื่ออะไร ฟังข่าวแล้วได้ยินในกรณีที่สิบล้อขับคนผู้บริสุทธิ์ที่ขับรถปกติเสียชีวิตทําให้รู้สึกผวาเวลาขับรถเราควรทําสติหรือว่าพิจารณายัางไงที่จะให้ไม่กลัวความตายแบบที่เกิดเป็นอุบัติเหตุค่ะก็ต้องคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้จะตายแบบไหนเมื่อไหร่มันไม่ใครบังคับได้งั้นเตรียมรับทุกรูปแบบ จะตายแบบอุบัติเหตุจะตายแบบโรคภัยไข้เจ็บจะตายแบบอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดก็ต้องตายเหมือนกันก็แล้วให้คิดอย่างนี้ไปจ้ากราบขอความเมตตาพระอาจารย์ค่ะถ้านั่งขัดสมาธินา น, านแล้วมีอาการเหน็บชาทำให้ไม่สามารถนั่งได้นานเท่าที่ควรเนื่องจากความเจ็บ จากเนิบชามารบกวนเราสามารถแก้ปัญหานี้โดยการนั่งสมาธิแบบนั่งห้อยขาได้ไหมคะได้จะนั่งแบบไหนก็ได้นั่งนี่ไม่ค่อยสาคัญเท่ากับสติถ้าไม่มีสตินั่งท่าไหนมันก็เจ็บได้เหมือนกันแต่ถ้ามีสติมันก็จะไม่เจ็บเพราะจิตมันจะสงบ จากเฟซบุ๊กซาขอพระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าฉันทาราคาด้วยครับฉันทาราคาค่ะฉันทาก็คือความยินดีราคาก็คือการมาราคาความกำนัดยินดีในการยังไม่มีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติค่ะถ้าไม่มีก็ท่านี้ก่อบก็แล้วกันนะสหรับวันนี้ ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพเจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้านในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอสาธุ